หนังสือศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรนะจะเป็นวิชาการหรือไม่แต่วิชาชีพสูงแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเรียนวิชาพื้นฐานเช่นอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารมันจะไม่รู้นะเรื่องอ่านออกเขียนได้ บอกรับคูณฐานวิชาชั้นสูงต่างๆนี่ก็เป็นอันไม่ต้องพูดถึงนะนเป็นวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สถติติตรีโกณหรือว่าสูงมากไปกันนั้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีการท่องจำแต่สุดท้ายมันก็ไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าขาดพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้บวกล้คูณหารอันนี้เกิดผลที่เราเรียนอ่านออกเขียนได้บวกล้คูณหารตั้งแต่อยังอยู่ชั้นประถมต้นต้ น, ต, น, นตั้งแต่ปีหนแล้วอแล้วาจะอ่านออกเขียนได้บวกล้คูณหารเป็นนี่มันก็ต้องมีพื้นฐานยิ่งไปกว่า น, นั้นนะนนเช่นรู้เรื่องจาตัวอักษรได้กอไก่ขอไข่ a b c d รวมทั้งรู้เรื่องตัวเลขอันนี้เคยผลที่ตอนเราอยู่นุบานนะเราก็ต้องเรียนเนี่ยพวกกอไก่ขอไข่นับหนึ่งถึงสิบได้แยกแยะออกว่าหนึ่งกับสองนี่มันแตกต่างกันอย่างไรถึงจะบวกลบคูณหารอ่านออกเขียนได้หลังจากนั้นก็จะ สามารถต่อยอดดิชาอื่นๆให้สูงขึ้นไปได้จะเล่นกีฬาเหมือนกันนะอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยนะมันก็ต้องมีต้องรู้ต้องถนัดในเรื่องเบสิกต้องเรียนต้องฝึกเรื่องเบสิกเป็นเบื้องต้นนะถึงจะพัฒนาต่อยอดเป็นทักษะความสามารถ สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นได้ในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะในการพัฒนาจิตใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานพื้นฐานที่ว่านี่มันไม่ใช่เบสิ c นะอ่านออกเขียนได้บุรุษคุณหา น, นี่คือรื่อเบสิแต่พื้นฐานที่ว่านี่ถ้าภาษาฝรั่งเลือก Fund เหมือนกับ จะสร้างตึกเนี่ยมันก็ต้องมีฐานมีรากที่แข็งแรงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องอัดพื้นให้แน่นเมื่อพื้นฐานแน่นในการที่จะสร้างตึกสร้างอาคารสูงๆมันก็เป็นไปได้เดี๋ยวว่าแต่10ชั้นเลยนะร้อยชั้นก็ก็ได้นะถ้าว่าพื้นฐานนิ่แน่นแต่ว่า มีนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะที่สนใจแต่เรื่องการปฏิบัติขั้นสูงแต่ละเลยการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเนี่ยไปหาอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านกรรมฐานฝ่ายวัชรยานเป็นรินโปเชยชายคนนั้นก็มาเล่าว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ ผ่านการปฏิบัติขั้นสูงแล้วก็ปฏิบัติจนชั้นิี่ชำนาญปฏิบัติขั้นสูงนี้ก็เรียกว่าเรื่องของสุญญ ต, ตาเลยทีเดียวแต่แกก็บอกว่าเนี่ยแต่เวลาไปเจอผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะตามสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมักจะทนคนแถานั้นคนที่นั่นไม่ค่อยได้หดุดหยิดลำคาญอาจารย์ก็บอกว่าก็ดูใจตลวงตัวเองสิ รักษาใจให้ปกติชายก็ต้อบอกโอ้ oh, มันยากนะอาจารย์มันยากล้วก็แปลกนะเพราะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี่เนะี่ยมันทำง่ายนะเข้าถึงสุญญาตาแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยคือการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเจออะไรกระทบก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์บอกว่าเป็นเรื่องยากพอชายคนนั้นเนี่ยกลับไปเนี่ยอาจารย์ก็พู่กับลักิตว่าเนี่ย มันมีคนบางคนนะที่ปวดอ้างว่าเคี้ยวก้อนหินได้แต่ก็ไม่สามารถจะเคี้ยวนเนยได้เคี้ยวก้อนหินได้นะปวดอ้างว่าเคี้ยวก้อนหินได้แต่พอเจอเนอยนี่กลับเคี้ยวไม่ได้อาจารย์กาลังพูดวันนี่ยพารู้สึกว่าเขาทําปฏิบัติทำขั้นสูงได้แต่ว่าพอเป็นการปฏิบัติทำขั้นพื้นฐานเนี่ยกลับไปไม่เป็นเนี่ย อันนี้มันไม่ถูกนะมันแสดงว่าจริงๆก็ที่ว่าปฏิบัติธรรมขั้นสูงจริงมันก็คงแค่คิดเอาเพราะว่าถ้าเข้าใจหรือเข้าถึงสุญญตาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะอยู่กับผู้คนได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ที่ทางฝ่ายเทเ ร, รว่าก็เหมือนกันนะมันก็มีทำ ม, มากขั้นสูงแต่ว่า เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็เราต้องไม่ไม่ลือไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นพื้นฐานการทมาคั่นสูงก็เป็นเรื่องของภาวนาเรื่องของวิปัสสนาแต่ว่าจะทำได้ดีเนี่ยเกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานที่แน่นพื้นฐานเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการมีศีล มีศีลถ้ามัมีศีลแล้วเนี่ยแม้กระทั่งแม้แต่ศีลห้าเนี่ยนะไอการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาหรือปัญญาภาวนามันก็ยากที่จะเกิดผลได้ น, นั่นศีลมันก็เลยพื้นฐานนะของแต่สิกขาเลยเพราะถ้าศีลพร่องจิตใจมันก็เศร้าหมองหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนใจที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนา แล้วถึงที่สินครองเนี่ยมันก็เพราะการปล่อยให้กิเลสเช่นโลภะโทสะครอบงนันถ้าปล่อยมันครอบงานขนาดที่เรียกว่าคุมกายวาจาไม่ได้เนี่ยในการฝึกที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยคือการฝึกจิตเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรทีนี้สีลเมื่อมีแล้วพอถึงเวลาที่จะภาวนาเนี่ย มันก็ต้องสามารถที่จะทําขั้นพื้นฐานให้ให้ค่องแคล่วให้หนักแน่นมันคงได้อย่างเช่นการมีสติการมีความรู้สึกตัวเคยพูดไปแล้วเมื่อสองสมวันก่อนว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยนะที่แต่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าไม่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องดัดๆ เป็นเรื่องสา ม, มัญมันสู่วิปัสสนาไม่ได้นะวิปัสสนานี่มันดูละเท่ฟังดูละเท่นะไปอวดว่าอวดใครว่ายฉันเป็นนักวิปัสสนาหรือไปฝึกวิปัสสนามันมันดูภูมิฐานเราฝึวิปัสสนานี i มันก็ต้องมีต้องรู้หลายเรื่องหลายอย่างสับแสงภาษาบาลีเวลามาพูดแล้วมันก็ดูภาพลักก็ดูดี แต่พอพูดเรื่องความรู้สึกตัวนี่มันดูมันธรรมดาเหลือเกินแต่จริงมันก็เป็นพื้นฐานเลยนะถ้ามีความรู้สึกตัวนี่อย่ว่าแต่วิปัสสนาเลยแม้แต่ศีลก็ไม่สามารถจะทำให้ดีได้หลายคนนะโอ้ฝึกเอาจริงเอาจังแล้วก็บางทีถึงกระโบดพดวกนี้ฉันเห็นแล้วนะการปฏิบัติชันก้าวหน้าจนเห็นปรมัตดเห็นสมมุติ นะอะไรแล้วก็สมมุติทั้งนั้นนะเงินทองก็สมมุติบางทีไปถึงว่าพ่อแม่ก็สมมุตินะสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็สมมุตินะเห็นสมมุติเนะี่ยแต่ว่ากลับไม่เห็นความคิดนะหลายคนที่บอกอ้างว่าเห็นสมมตนะิแต่ว่าไม่เห็นความคิดนะไม่เห็นอารมณ์อะไรมากระทบก็งุดหงิดนะง่าย ใครพูดไม่ถูกหูก็โมโหนะบางทีนัดคนไม่มาตามนัดหรือรถติดนี่ก็งุดหงิบงุ่นง่านอย่างนี้มันจะเรียกเห็นสมมติได้ยังไงนะแม้กระทั่งความคิดก็ยังไม่เห็นเลยนก่อนที่เห็นสมมติได้มันต้องเห็นความคิดนะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือพื้นฐานเลยถ้าไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์มันจะเห็นความจริงของใจเห็นความจริงของ ความคิดและอารมณ์จนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรหรือว่าจนนั่งเห็นว่านี่มันก็ไอสิ่งที่สิ่งช่างหลายต่างปวงมันก็เป็นเป็นแค่สมมุติที่ว่าเป็นนั่นเป็นนิ่มก็เป็นแค่สมมุติหรือชื่อเรียกแต่ที่แท้ตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มี จะเห็นอย่างนี้ได้มันก็ต้องผ่านจากการเห็นความจริงของกายและใจนะจนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่ยึดมั่นถือมั่นได้หรือว่าเห็นว่าเนี่ยสิ่งต่งตางๆก็เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่มาประชุมกันเมื่อองค์ประกอบเหล่านั้นหมดมันก็ว่างไม่มีตัวตนของมันเอง อ้ที่เรียกที่เรียกว่าเนี่ยเก้าอี้นี่โต๊ะนี่เสานี่คนสัตว์ตัวตวบูคามก็เป็นแค่สมมติีหรือชื่อเรียกแต่ตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีจะเห็นแบบนี้ได้มันก็ต้องเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นก่อนหรือบางคนนี่บอกเข้าใจหรือเข้าถึงเรื่องอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรา แต่ว่ากับติดในอัตตาหนานนั่นใครที่พูดหรือคิดไม่เหมือนตัวหรือปฏิบัติคนละสายกับตัวก็ดูถูกเขาเยียดยามเขาเขาไม่ได้เรื่องเาผิดทางอันนี้ก็ยังเรียกว่ายังมีทิฏฐิยังมีมานะอยู่หรือยังมีความหลงติดในอัตตาตัวตนแล้วถ้ายังติด ถ้ายังใจแคบนะหรือว่ายังมีท่าทีแบบนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าธรรมะขั้นพื้นฐานนี่ยังยังไม่แน่นเลยเพราะว่าธรรมะาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการนะมีความมีขันติธรรมมีความใจกว้างไม่ ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือความหลงตัวลืมตนเนี่ยมันมาครอบงํามันมีได้นะแต่ว่ารู้ทันนะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงําใจบางคนนี่นบอกปฏิบัตินะวิปัสสนาแคะวครองชํานาญแต่ว่าขาดเมตตาก็มีเยอะนะขาดเมตตาเห็นแก่ตัว เต็ไมไปด้วยความโกรธความเกลียดหรือว่าไม่คิดที่จะเอื้อเฟื้อใครมีหน้าเจอนักปฏิบัติที่ไม่อินังขังขอบคนในบ้านที่เ็เจ็บป่วยก็ต้องการคนดูแลเพราะเป็นมะเร็งระยะท้ายไม่ใช่ใายก็เป็นน้องชายแต่ว่าตัวพี่สาวน้า ไ, ไม่สนใจ ขอต้องรับกลารของเขานะฉันจะปฏิบัติธรรมฉันจะขอมุ่งมั่นกับการเจะรู้วิปัสสนาต่อไปอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะแต่ว่าธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยคือเมตตากรุณาความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับพร่องหรือหนักนั้นนะคือขาดความกระตันยูกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เนี่ยกระตันยูี่เป็นพื้นฐานเลยนะไม่ต้องวิปัสสนาหรอกนะแค่ คนที่ใช้ชีพตามปกติก็ควรจะมีความกตัญญูรู้คุณแต่ว่าบางคนนี่ไปปฏิบัติธรรมไปเจริญปัสสนาสำนักนั้นสำนักนี้แต่ว่าปล่อยให้พ่อแม่ึ่งแก่ชารานี่ต้องดูแลบ้านต้องทำอาหารให้ตัวเองบางทีซักเสื้อผ้าให้ด้วยหรือบางครั้งท่านเจ็บท่านป่วยนะก็ไม่ได้คิดจะไปเยี่ยมเยียดูแล สนใจแต่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงเสร็จ แ, แล้วก็กลับบ้านก็บอกเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากพ่อแม่อย่างนี้มันมันไม่ถูกนะเพราะว่าเราละเลยเนี่ยธรรมะขั้นพื้นฐานเมตตาขันติความกตัญญูหรือความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม บางคนคิดแต่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อพ้นทุกข์เพื่อมิตรพานแต่ว่าไม่สนใจรับผิดชอบงานของส่วนรวมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เละเห็นอยู่เดืองเมันแสดงว่าเขาใส่ใจนะสนใจแต่เรื่องธรรมะขั้นสูงเรื่องปรมัตญเรื่องมิตรพาน หรือว่าเรื่องการไปพ้นสมมุติแต่ว่าเรื่องพื้นฐานนี้กลับไม่มีแม้แต่การจะมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์บางคนนี่คุมอาการไม่อยู่เวลาเจอใครพูดไม่ถูกใจก็ขนาดคุมกายหรือคุมอารมณ์ไม่ได้น่มันจะไปพูดอะไรนะถึงเรื่องของการพ้นทุกข์เรื่องของการเข้าถึง อนัตตาแล้วนเนี่ยเนี่ยต้องไม่ลืมนะต้องไม่ทิ้งนะไม่ว่าเราจะมุ่งท ร, รมาขั้นสูงฝึกจิตให้เข้าถึงปรมัคตธรรมยกจิตให้เข้าสู่โลกุตรภูมิแต่ก็ทิ้งธรรมะพื้นฐานไม่ได้ต้องทำให้มันแน่น ว่าอย่างมีความในในตัวจําเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าอย่างหลงติดในตัวตนนี่แสดงว่าให้มันต้องกลับมาปฏิบัติทำมัคคันพื้นฐานให้ได้จเจริญสติทำความรู้สึกตัวและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาเข้าคอร์สจะต้องมีรูปแบบเช่นเดินจงกรม หรือว่าจะต้องอ่มาเข้าถึงธรรมะที่ใช้สั์แสเป็นภาษาบาลีในการปฏิบทททัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมันไม่ใช่เดสิทนะแต่มันเป็นคอนเทนทัลมันเป็นพื้นฐานของการของนักปฏิบัติปฏิบทททัติธรรมขั้นพื้นฐานก็คือการปฏิบัติให้มันเป็นกลมจึงกับชีวิตประจำวัน ไม่ติดที่รูปแบบแต่บางคนนี่นะติดที่รูปแบบมากเวลาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีคนมาหามีงานที่จะต้องทำหุดหิดนะเพราะว่ามองว่าเนี่ยมารบกวนการปฏิบัติที่จริงการพูดคุยกับคนที่มาหา คือบางทีก็ไม่ใช่ขายจะเป็นพร้อมแน่มันก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งพูดอย่างมีสตินะี่ไม่ใช่คิดไม่ได้หมอว่าการปฏิบัติมันมีแตเรื่องของการวิปัสสนานะเพื่อให้เข้าถึงวิปัสสนาญาณแต่ว่าแค่การคุยกับคนอย่างมีสติทําไม่ได้นี่มันก็สามารถผิดทางคนระับเพือ่อคนอย่างมีสติทํางาน ของส่วนรวมยังมีสติทำด้วยความสุขตัว น, นี่เป็นพื้นฐานเลยเนะถ้าว่าผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยในการที่จะเจริญปัสนาให้ได้ให้ได้ปัสสนายา น, นยจะเอามักคคยานผลระยานนี่มันมันก็เป็นแค่ความคิดแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่า พื้นฐานแน่นนั่นการมีสติรู้ทันความคิดเห็นความคิดและอารมณ์เนี่ยถ้ามันเป็นบททดสอบที่สําคัญเลยนะว่าจะกล้าไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงได้หรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ในการที่จะเห็นสมมุติถ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เป็นแค่ความคิดถ้าไม่มีความกตัญญูไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีขันติธรรมในการที่จะเข้าถึงมรรคยานผลยานหรือปัสนายานก็ เ ป, เ, ปเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับที่อาจารย์ที่เบบอกว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยปวดอ้างว่าเคี้ยวก้อนหินได้แต่กับเคี้ยวเนยไม่เป็นหรือเคี้ยวไม่ได้มันก็เป็นแค่ความคิดอเอาพูดเท่านี้แล้วกันนะ